ย <Yo. S 2> ออปไปกดไลค์ like ใน STORY ่เธอช่างดูดีและฉลิเก่าอยากจะรู้เธอชอบคนแบบไหนพอจะครองใจเธอได้ไหมอ๋อก็คนนี้ในตรงไทฟไม่ว่าคนไหนไม่สูเธอก็คนนี้อยากจองไว้ไม่อยากให้ใครมาพบเจอรวบรวมความกล้าทักเข้าไปคุยอย่างแฟนนี้ ly เธอตอบมาว่าเธอไม่ชอบคนทรงนี้ ว่าดเซเอาชนะใจเธอทำไมมันยากจังก็คนนี้ไั่ตรงไทยไม่ว่าคนไหนไม่สู้เธอก็คนนี้อย่าจองไว้ไม่อยากให้ใครมาพบเจอรวบรวมความกล้าทักเข้าไปคุยอย่างเฟนนี้ จริงๆไม่ได้มาหลอกไม่เจ้าชู้เธอก็ดูออกถ้าเปลี่ยนใจเธอค่อยมาบอกรอตรงนี้ให้เธอมาก่อนชอบจริงๆไม่ได้มารอกไม่เจ้าชู้เธก็ดูออกถ้าเปลี่ยนใจเธอไปมาบอกรอตรงนี้ให้เธอมาก่อนไม่ชอบผู้ชายแบบด่ะทรงยังแบบ